หรือได้ใช้กรรมที่โดนตนได้กระทาไว้มีมากต่อมากในพระธรรมคาสอนในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเรากคงจะไม่เว้นอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนก็ต้องมีกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษสามิจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป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 แต่เรื่องจิตภาวนาของแต่ละท่านแต่ละคนอันนี้อย่าอย่าลดละนะอันนี้คือหัวใจจริงๆคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ด้วยว่าได้นําพระธรรมคําสอนออกมานั่นน่ะมาจากจุดที่ว่าพระพุทธองค์ชําระใจของพระองค์หมดจดจากกิเลสส่วนอย่างอื่นเป็นผลตนเองเป็นผลเห็นผลตามมา